เวลาเรียนกรรมฐาน ใ, นใจต้องเปิดนะเปิดใจอนตัวเองซื่ อ, อเรียนกันอย่างซื่อตรงไม่มานยามีองค์ธรรมของผู้ปฏิบัตินะห้าประการพระพุทธเจ้าแสดงไว้อยู่ในโพธิราชกุมารสุลมีข้อสามบอกว่าไม่มานยาสาไทยเรื่องใหญ่เลยเร่อนี้นักปฏิบัติ บางคนมารยาสาไทยนะไม่ซื่อหรอกพ อ, อนามไม่เป็นนะก็หลอกครูบาอาจารย์ว่าพ อ, อนาเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยท้อแท้ใจที่จะสอนอันหนึ่งก็อาพาธน้อยสุขภาพใช้ได้อันแรกเลยมีศรัทธ า, อ, าองค์ธรรมของคนที่ปฏิบัตินะจะสำเร็จได้ผลดีหรือไม่ดีอันแรกมีศรัทธาหรือเปล่าอันที่สองสุขภาพใช้ได้ไหม หรือไม่ไหวแล้วเพิ่งจะมาเริ่มต้นตอนที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ได้กินหรอกต้องเริ่มตอนที่แข็งแรงอยู่นะแล้วต่อไปพอเจ็บป่วยก็ยังไหวอยู่พอจิตมันเคยภาวนาละวอันที่สามก็ต้องไม่โออวดไม่มัรยาสาไทยนะมีความไม่ดีอะไรนะอย่าหลอกตัวเองต้องรู้ทันกิเลสของตัวเองก็งไม่หลอกครูบาอาจารย์ซื่อ ครูอาจารย์สอนอะไรก็รับฟังเรียนกันยังเรียบเรียบง่ายๆเหมือนพ่อกับลูกอะไรเงี้ยภาวนาจะสบายนั้นที่สี่นั้นต้องขยันปรารบความเพียนคือพอเราไม่มันยาสาไทยเราเรารู้ในกะิเลสอะไรของเรายังมีกิเลสอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญเรารู้นะแล้วเราก็ปราลบความเพียน อกูสนใดยังไม่ละก็หาทางละเสียอกูศลใดยังไม่เกิดทํำยังไงจะไม่เกิดกูศนใดยังไม่มีทําให้มีกูศนใดมีแล้วทําให้เจริญมีความเพียรสัมมาวายามะหนะึ่งตัวสุดท้ายข้อหนะ้ารู้จักการเจริญปัญญาเนี่ยสำคัญนะยิ่ ม, มาทําสมาธิเฉยเฉย ทำทานรักษาศีลทำสมาธิหวังจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยไม่สําเร็จเลยจะต้องเจริญปัญญาเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าเราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไดนะ้มันจะเห็นเลกายนี้ใจนี้ขันห้านี้มีแต่ทุกข์แต่โทษไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะ ปัญญามันก็พัฒนาเป็นลําดับลําดับไปไมเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเช่นร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจเข้าแทนร่างกายหายใจเข้าอยู่ช่วคราวก็ดับเกิดร่างกายหายใจออกแทนร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนะี่ยมันเกิดดับเปลี่ยนไปเรื่อยเรนะืความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็เกิดดับนั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดตรงโ น, น้นเดี๋ยวก็คันตรงนี้นะ ความรู้สึกมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละความสุขความทุกข์ทางใจเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลามีความสุขทางใจขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปยตัวจิตเองก็เกิดดับนะเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจหมุนไปเรื่อยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดนะหมุนไปเกิดดับตลอด ทางอยายตนะต่างๆนี่จิตเกิดดับความปรุงแต่งคือสังขารเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลใ่เราเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะคนมีศีลมีธรรมก็กุศลมีโอกาสเกิดมากหน่อยใช่คําว่าหน่อยเพราะอากุศลมกกักจะเกิดเยอะเกิดนานเวลารู้สึกตัวรู้สึกขณะเดียวนะแวบบเดียวสั้นๆถ้าพูดแบบอภิธรรมมรู้สึกได้เจ็ดขณะ แต่เวลาอากุศลเกิดนะเกิดซ <using> so <ois> ้ำสร้างเกิดนานเกิดแล้วเกิดอีกหมุนอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นความสุขความทุกข์ทางกายทางใจเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นอย่างบางคนมีความทุกข์มากดิ้นรนทําไงจะหายทุกข์ความจริงไม่ต้องทําอะไรนะความทุกข์มันก็ดับตัวของมันเองอยู่แล้วความสุขมันก็ดับตัวของมันเอง อะไรๆมันก็ดับตัวของมันเองนั่นแหละมันมีอยู่ชั่วคราวมันก็หายหมดอนะ่ะไม่มีหรอกความทุกข์นี่ลันดอนอย่างถ้าไอ้หนุ่มมาหลอกสาวแบบถ้าขาดเธอแล้วโลกจะแตกอยู่ไม่ได้เลยต้องตายขาดที่ไม่เห็นมันตายสักขวดเลยะ่หลอกความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องทําอะไรนะตัวมันก็ไม่เที่ยงเนีย่ยถ้าเราจเจริญปัญญาไปเราก็จะเห็นะทุกอย่างเกิดแล้วดับ เมื่อไรเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับมันก็จะสะท้อนให้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่าไม่มีอะไรถาวรเลยงั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถาวรทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นตัวตนไม่มีคําว่าตัวตนคําว่าอัตตาไม่ใช่เซลล์จัดนะที่เราบอกว่าอัตตาแรงอัตตาแรงความจริงมานะแรงตรนั้นต้องใช้คําที่ถูกคือมานะกูแน่กูหนึ่งเหนือกว่าคนอื่นอันนี้เป็นกิเลสชื่อมานะไม่ใช่ชื่ออัตตา อัตตามไม่มีจริงเป็นแค่ความรู้สึกผิดๆว่ามีสิ่งที่เป็นตัวเราถาวรถ้าเราลองแยกขันได้แล้วเห็นขันแต่ละขันเกิดดับได้ทุกขันเกิดแล้วดับทั้งสิน้นมันก็จะเห็นความจริงออกไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเลยขนาดจิตยังเกิดดับเลยแล้วอะไรมันจะเป็นตัวตนถาวรเมื่อไรเรามีปัญญาเห็นความจริงนะว่าไม่มีตัวตนถาวรจะเป็นพระโสดาบัน ภาวนาจเจริญปัญญาต่อไปอีกดูธาตุดูขันมันไปเรื่อยเห็นธาตุเห็นขันทั้งหลายนะล้วนจะเป็นของไม่ดีไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของที่นําความสุขมาให้จะเป็นของที่นําความทุกข์มาให้อย่างพวกเราจเจริญสติมาช่วงหนึ่งรู้สึกแม่ร่างกายนี้เป็นภาระมหาศาลเลยภาระตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะจนกระทั่งเข้านอนทําไมต้องนอนนอนก็เพื่อบําบัดทุกข์ของร่างกาย อย่างเราหัดภาวนานะเรารู้สึกร่างกายนี้มีภาระมากมายนะต้องบำบัดทุกข์ในร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยต้องขยับเหนวหิวต้องพามันไปกินปวดท้องก็พามันไปขับถ่ายโศกโปรกพามันไปอาบน้ำลคล้ายล้างนะรถนะเราร่ไปล้างร่างกายไปล้างตั้งแต่หัวถึงเท้ามีเรื่องต้องดูแลมากมายมีผมยาวๆก็ต้องดูแล นึกออกไม่มีผมต้องดูแลอะไรบ้างเยอะเลยเนาะต้องตัดผมไหมต้องหวีผมไหมต้องจัดทรงผมไหมเห็นไหมเยอะนะต้องหาอะไรมาใส่บ้างไหมผมมันดําหาสีมาทาให้มันเป็นสีองนอนอย่างนี้พอผมมันขาวก็หาสีมาทาอีกลงค ว, มวามไม่พอใจเปลี่ยนตลอด หัวเหม็นต้องทำอย่างนอ้นอย่างนี้ต้องสระอย่างนอ้นอย่างนี้แค่ผมเส้นเดียวนะผมบ น, นหัวนิดเดียวนียพารามหาศาลเลยนะค่าใช้จ่ายเยอะนะขนหมาขนแมวมันอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่มีพารามากนะพอคนไปยุ่งกับมันต้องพาหมาไปตัดผมแพงกว่าค่าตัดผมของคนอีกนะพาหมาไปอาบน้ำอาบเองไม่ได้ลนะต้องพาหมาไปอาบน้ำหลวงพ่อไปเทศที่ไหนจาไม่ได้ เขามีร้านที่ไหนจําได้ไหมเออที่เชียงใหม่มีร้านนะตัดตัดขนหมาแล้วอาบน้ําหมาด้วยถ้าหมาตัวไหนอยากอาบน้ําอุ่นต้องเพิ่มสิ บ, บาท <c oughs> โอ้โมีอย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> นี่ขนาดหมามาอยู่กับคนนะก็มีภาระ <c oughs> บนหัวเราเนี่ยสินค้าที่อยู่บนหัวเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะตั้งแต่หวีใช่ไหมมีเจลมีอะไร ผมแข็งก็ไปหาอะไรมาทาให้มันอ่อนผมอ่อนแล้วก็เอาเจลไปฉีดให้มันแข็ง <laughs> มันก็พิลึกเนาะ <laughs> ผมตรงๆนะั่งก็ไปทาให้หยิกเนาะผมหยิกก็ไปยืดให้ตรงบ้า <laughs> ออบ้องๆไงก็ไม่รู้นัว <laughs> <laughs> ภาระเต็มไปหมดเลยนะจริงเปล่า <laughs> ไม่มีผมเลยก็ดูไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ไม่ดูแลก็เหม็นสาบ ใครเคยไม่สระผมหลายวันไหมแบบมีธุระหรือไปไหนมาไหนไม่มีเวลาสระผมหลายวันเหม็นสรบไห ม, มตัวเองยังเหม็นเลยไม่ได้คนอื่นเนะนี่ยร่างกายเนี่ยนะเต็มไปด้วยภาละนะถ้าหันมองให้เป็นนะทุกสารพัดเลยนี่แค่ผมอย่างเดียวแค่หัวอย่างเดียวนะสารพัดเลยลงมาที่ตาก็เยอะแยะเลยเห็นไหมอุปกรณ์เกี่ยวกับตา ตาเล็กไปก็มีอะไรน่ามาใส่ให้ตาโตจงได้หน้าเหมือนตัวการ์ตูนตาใหญ่ๆหน่อยสารพัดเลยนะคือภาระมากมายเนี่ถ้าเรามีสติเราคอยรู้คอยดูนะเราเห็นขันนี้เต็มไปด้วยภาระจิตใจไม่มีความสุขไม่สนุกสนานต้องหาอารมณ์มายั่วมันไปดูหนังไปฟังเพลงไปทัศนาจร ไปหาเพื่อนมาเม้าด้วยไปรวมกวนรวมแก๊งนะจะได้มีความสุขสบายใจนะนะหาอารมณ์มาให้มันเสพนะี่ปริบัติขันห้านะมากมายไก่กองเลยมีภาระมากมายวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเรามีสติคอยรู้ไปเลยนะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันเป็นภาระ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพาราเวเปันจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระคำ ว, ว่าภาระคือเป็นของหนักคนทั้งหลายเนี่ยแบกของหนักไปไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างเราต้องแบกกระสอบข้าวสารไปทุกข์นะใครเคยแบกของหนักสามสิบโลบ้างมีไหมยกของสักสามสิบโลไหวไหมลำบากนะยี่สิบโลไหวไหมสิบโลหนักไหมสิบโลหนัก ตัวเราหนักกี่โลแบกอยู่นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยแบกอยู่แปดสิบกว่าโลแล้วเติมอะไรอีกนิดหนึง่งโอ้ยหนักมากแนละ้วถือไม่ไหวแล้ว<อ> <hum> เราต้องแบกของหนักตลอดเวลาเลยในใจเราก็มีแต่ของหนักดูให้เป็นนะมีแต่ภาระทั้งนั้นเลยมีของหนักทั้งนั้นภาระก็คือมันหนักนั่น คนทั้งหลายต้องแบกของหนักอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่พ้นจากทุกพระอริยะเจ้าหมายถึงพระละหันนะท่านวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะท่านก็พ้นจากทุกต้องมีคําว่าไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกมันมีการวางเหมือนกันนะของคนที่ไม่ใช่พระละหันมันวางแป๊บแป๊บมาไปหยิบมาอีกนะเคยมีพระวงหนึ่งนะบวชพรรษาแรกออกพรรษาแล้วไปหาครูบาอาจารย์ ไปบอกครูบาอาจารย์นะผมดูจิตอยู่แล้วก็มันวางลงไปวางจิตลงไปจิตวางจิตแปลกนะจิตไม่มีมือนะแต่หยิบน้อนหยิบนี่ได้ใครเคยเห็นบ้างยกมือให้ดูซิใครเคยเห็นจิตหยิบมันน้อนหยิบอันนี้บ้างโยงกันนะประหลาดนะไม่มีมือแต่หยิบได้หยิบอะไรก็ไม่แปลกถ้ามันหยิบตัวมันเองแปลกนะ ม่งตัวของมันเองขึ่นมามันหยิบตัวของมันเองขึ้นมแถมวางได้ด้วยนะวางตัวของมันเองได้ด้วยมันอาศาัศจรรย์จริงๆเรื่องการปฏิบัตินี่พระนั่นก็ไปบอกครูบาอาจารย์นะผมดูจิตอยู่แล้วผมก็วางลงไปแล้วก็มานึกนะว่าพระหันมีความรู้แค่นี้เหรอความรู้น้อยไปผมไปหยิบขึ้นมาดูอีกต้องมาเรียนต่อครูบาอาจารย์บอโอ้ยไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรแล้วล่ะ ปเที่ยวหาอะไรอีกนะท่านสอนพระโพระสพสกทาคาพระนาคาพระอรหันนะเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันอะไรอย่างพระโสดานะันก็มีความรู้ความเข้าใจเหมือนกันเห็นว่ามันไม่มีตัวตนพระนาคาเ็าเห็นกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์แต่ยังเห็นจิตเป็นตัวสุขอยู่ เน่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันพระอราหาันตะ์ท่านเห็นแจ้งแล้วว่าตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ท่านทิ้งตัวจิตไปก็ทิ้งต้นต่อของความทุกข์ไปจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไมนะ้มีเชื้อเกิดคือเอาิชาอยู่ภายในยังงอกขึ้นได้อีกมีจิตดวงเดียวนี่แหละไปงอกขันห้าขึ้นทั้งขันห้าเลยนะถึงบอกว่าวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรู ป, ปังวิญญาณคืจิตนั่นเอง อย่างลงไปนะเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามเกิดขันห้าทั้งหมดเลยถ้าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์อันนี้ทาลายเชื้อเกิดได้จิตดวงนี้เป็นหมันนะไปงอกรูปนามอีกไม่ได้แล้วไม่มีพบใหม่สำหรับพระอรหันต์พระท่าทลายเชื้อเกิดบางคนบอกเอาวิชาเหมือนเปลือกเปลือกของเมล็ดต้นไม้ไม่ใช่ เป็นเชื้อพันธุ์ภายในนะเนี่ยเห็นเป็นเชื้อพันธุ์ที่สืบต่อความเกิดความดับอยู่เนะนี่ยถ้าเราภาวนาเรื่อยนะเราจเจริญปัญญาเป็นลําดับลําดับไปนะเห็นแต่ทุกข์แต่โทษขันนี่มีแต่ทุกข์แต่โทษขันไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่คิดหรอกพอเห็นขันเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยจิตจะวางขันไม่มีใครปล่อยวางขันได้นะอยู่ๆเราสั่งให้ปล่อยวางขันนะจิตไม่วางหรอก ตราบใดที่จิตยังเห็นว่าขันเป็นของดีของวิเศษขันนี้นําความสุขมาให้จ้างให้ก็ไม่วางถ้าเมื่อไหร่รู้ความจริงนะว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษมันวา ง, งมันเองไม่ต้องจ้างให้หวานไม่ต้องง้อให้วางวางเองไม่ไม่มีใครบังคับจิตไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรู้มรรคผลนิพพานของจิตเองถ้าจิตมีปัญญาพอเห็นทุกพอเห็นขันทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นโทษพอนะ อย่าที่เรามาหัดทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรามาเรียนความจริงของขันนะเจ น, นเห็นเลยขันนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกขันนี้เป็นทุกข์เป็นโทษพอเห็นทุกข์เห็นโทษเนียเรียกว่ารู้ทุกข์แก่แจ้งนะรู้ทุกข์ก็รู้ธรรมเลยจิตสลัดคืนจิตให้โลกไปจิตคืนจิตให้โลกแล้วมีจิตอีกไหมพระอรหันต์มีจิตไหมมีจะเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งนะจิตที่ไม่ได้ไปหยิบมา พวกเรามีจิต ท, ที่ไปถืออยู่ตอนนี้ทุกคนถืออย่างนี้นะทุกคนถือจิตของตัวเองอย่างนี้แล้วไม่ถือเปล่าด้วยขยาตลอดเวลาเลยดูออกไหมมันขยาจิตอยู่ตลอดเวลานะบางทีขยาไม่พอขยี้ด้วยไม่เห็นเองอะ่ะไม่รู้เลยว่าทำ้ายจิตอย่างรุนแรงตลอดเวลาเลยบีบคั้นจิตอยู่ตลอดเวลาเล ้จิตนั้นะมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยแล้วเรามองไม่เห็นนะถ้าสติปัญญาแก่รอบพอเราจะเห็นจิตนั้นะได้รับความทุกข์แสนสาหาัสนนั้ทุกข์อยู่ในตัวของมันเองมันมีความทุกข์เหมือนมันถูกภูเขาบดอยู่ทั้งลูกนัภูเขาลูกใหญ่ๆนั้นะบดลงมาบดลงมาบดลงม า, งมาสติปัญญาไม่พอที่โอ้จิตชั้นประพัสสอนสว่างแจ่มใสนะนอนจมกองทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ห, หรอก ถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกข์เนีไม่ต้องเชื้อเชิญจิตจะสลัดคืนขันห้าให้โลภงั้นทำยังไงจะปล่อยวางได้ทำงไงจะหลุดพ้นได้ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากให้ความรู้กับจิตจเจริญปัญญาไปให้จิตเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันเรื่อยไปเขาเรียนรู้ของเขาเองนะพอถึงขีดสุดเขาเข้าใจแจม่มแจ้งว่าขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเขาจะปล่อยวางขัน แต่เขาไม่ได้ปล่อยทีเดียวห้าขันแต่เดิมมันแรกๆเลยมันจะปล่อยขันหยาบก่อนทําไมปล่อยขันหยาบก่อนขันหยาบคือตัวรูปทั้งหลายนี่มันดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นภาระมากเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยไม่น่ารักตรงไหนเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยตื่นนอนมาไม่ล้างหน้าได้ไหม ได้ไม่มีใครบ้าหรอกแต่ไม่มีใครครบก <c oughs> ็หน้าเราเราไม่ล้างก็ไม่เป็นไรมสกปรก ม, มัมแมมทั้งวันเนื้อไม่อาบน้ำหลายหลายวันก็ไม่ไหวอย่างบ้านเมืองเรานะไม่อาบน้ําไม่ไหวแต่ในอินเดียนะในมัชชิมประเทศมีพระวินัยนะพระสิบห้าวันอาบน้ําได้ครั้งหนึ่ง เพราะว่าสมัยพุทธกาลมีพระรักสนุกรักสบายชอบไปอาบน้ําอาบน้ําร้อนด้วยนะน้ําพุร้อนอะไรก็อาบแล้วจนกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินนไม่ได้อาบพระพุทธเจ้าเห็นว่าเสพสุขมากไปทัก็เลยกำหนดวันสิบห้าวันอาบน้ําครั้งหนึ่งแต่คนที่เคยไปอินเดียบอกมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรามันมันร้อนเราชื้นสปกปรกของเขาร้อนแห้งๆไม่สกปรกเท่าของเราจริงหรืเปล่าก็ไม่รู้ คนมานิมนต์ไปอินเดียบ่อยๆหลวงพ่อไม่ไปที่ถ้าเราดูเป็นนะขันเนี้ยมีทุกมีโทษเต็มไปหมดเลยลนะำบากถ้าเห็นทุกเห็นโทษจิตจะปล่อยขันและจิตปล่อยขันปล่อยขันหยาบ ก, ก่อนนะปล่อยรูปไปแล้วดูง่ายพอปล่อยวางรูปได้ในพระนาคา พระนาคาจะไปยึดส่วนที่เป็นนามธรรมจะไปยึดอะไรยึดความฟุ้งซ่านในธรรมะจิตอย่างฟุ้งซ่านในธรรมะอยู่ทีก็พิจารณาธรรมะเพลิดเพลินไปนึกว่าเจริญปัญญาความจริงฟุ้งซ่านการเจริญปัญญาในขั้นละเอียดไม่ใช่การนั่งคิดแล้วจะเป็นการรู้เข้าไปซื่อเลยรู้แบบไม่ปรุงต่อเลย ฟุ้งซ่านไปนพิจารณาทำม้มอย่างเดียวไม่พอนะอย่างเทียบเขาเทียบเราอีกดูคนทั้งโลกนะถ้านึกว่าตัวเองจบแล้วนะหันไปดูคนอื่นนะเห็นมันมีคนแบบต่ำกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาสู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยจะรู้สึกต้องวิธีของชั้นเท่านั้นถูกอะไรเงี้ยนะวิธีอื่นไม่ได้หรอกอันนี้แหละถูกชั้นแน่กว่าคนอื่นชั้นดีกว่าคนอื่น นี่เป็นมานะนะแต่ถ้ายังรู้ตัวว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกมองไปเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงที่สุดแห่งทุกก็ามีมานะอีกเมื่อไหร่จะได้อย่างท่านนาอสู้ท่านไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ดีเหมือนท่านยังมีกิเลสโกรปรกมอมแมมหน้ารังเกียจนิจใจใจก็เป็นไม่หมดภาระนะเป็นยุ่งอยู่กับเรื่องการเทียบกปล่าคนอื่นเทียบปล่าคนอื่นได้อาศัยคิดเอา ติดใจในรูปราคะในอรูปราคะติดใจในรูปในอรูปมีราคะในรูปในอรูปพอใจในความสงบของจิตนั่นเองงั้นถ้าบ่เป็นพระอราหันตะ์ประคองใจนิ่งว่างมีความสุขนิรันดรไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิธรรมระดับพระอราหารันต์ติดใจในความสุขของรูปของอรูปอยูนะ่ยังเอาความสุขของรูปของอรูป มาเป็นที่ตั้งเป็นเป้าหมายอะไรไม่ใช่ของจริงย่มีเชื้อเกิดคือวิชาไม่เห็นทุกข์แจ่มแจ้งไม่เห็นว่าตัวรู้นั่นแหละตัวทุกข์ไม่เห็นนั่นแหละว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นั่นต้องพอนากันนะร็จเดี่ยวจริงจังมากเลยเห็นรูปเห็นร่างกายเนี่ยเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ยึดถือในร่างกายไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะถือสิ่งที่มากระทบกายกลับไปยึดอยู่ที่จิตอันเดียวนะตอนเมื่อไรเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ตัวโทษนะไม่มีตัวไหนเลยเป็นทุกข์เท่าตัวจิตร่างกายที่ว่าทุกข์มากทุกข์มากนะั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเป็นตัวทุกข์ของจิตถ้าสติปัญญาอยัางจึงนะไม่มีอะไรทุกข์เท่าจิตหรอก ว่าตัวจิตเองนั่นแหละเป็นต้นต่อของความทุกข์ทั้งมวลเลยเป็นต้นต่อของขันทั้งมวลเลยขันทั้งหลายงอกออกไปจากจิตนี้เองดังนั้นถ้าปัญญาแจ่มแจ้งนัว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์จริงๆมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปหลังจากนั้นมันจะเกิดจิตชนิดใหม่เป็นจิตที่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะกว้างขวา ง, วางแบบแต่ไม่ใช่กว้างแบบมีขอบมีเขต อย่างจิต ท, ที่ทรงอรูปฌานจิตของพร่มกว้างนะกว้างวาากว่าจักรวาลกว้างกว่าแกเล็กซี่จิตของปร่มเนี่ยนะใหญ่กว่าแกเล็กซี่ hmm. เห็นแกเล็กซี่เนี่ยเหมือนดาวเล็กๆดวงหนึ่งเท่านั้นเอนงนยขนาดของพร่มใหญ่มากนะใหญ่ขนาดเห็นแกเล็กซี่นะไม่ใช่เห็นพระอาทิตย์นะเห<ม>็นแกเล็กซี่เท่ากับดาวดวงหนึ่งเท่านั้นเอง hmm. แต่มันก็ยังมีขอบมีเขตอยู่พรเมเองก็มีความรู้สึกนะว่ามันมีเบื้องต้นที่ตัวเองไม่รู้มีเบื้องปลายที่ตัวเองไม่รู้จักรวาล น, นั้นไหลมาจิตนั้นเป็นคนรู้อยู่แต่ไม่รู้จุดตั้งต้นของจักรวาลไม่รู้จุดสิ้นสุดของจักรวาลเห็นจักรวาลเป็นอนันต์ไหลผ่านไปเรื่อยๆมันไหลาตามๆกันไปเหมือนโดนัดนะไหลไหลาตามกันไป แต่ยังถึงใหญ่โตขนาด น, น, นั้นก็ยังมีขอบมีเขตอยูนะ่ในจิตที่ปล่อยวางจิตแล้วไม่มีขอบไม่มีเขตมันะเป็นเนื้อเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างหลวงผูดุลเคยสอนหลวงพ่อไว้นะบอกวันใดที่เห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวรวดนะเพราะนั้นจะเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนอท่านว่าอย่างี้นะ จิตกระธรรมธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่จักรวาล น, นี้ก็แวดล้อมเราอยู่ใช่ไหม mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะแต่จิตนั้นไม่ได้ยึดถืออะไรเลยนะเป็นอิสระคล่องแคล่วนะจิตกะธรรมเป็นนันเดียวกันจิตกะธรรมเป็นนันเดียวกัน mm hmm. บางทีเรียกว่าธรรมธาตนะุเป็นธาตุบางทีท่านก็เรียกวิญญาณธาตุ mm hmm. ก็เป็นธาตนะุเรียกโดยโวหารนะ mm hmm. สมเด็จยานท่านเรียกสภาวะตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุจันมหาบัวเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุรดาเรียกว่าจิตเดียวอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกความจริงก็คือจิตที่ไม่ยึดถืออะไรนะพอไม่ยึดถือก็ปล่อยปล่อยแล้วมันคลื่น กลื่นแต่ไม่กระทบเป็นเรื่องแปลกนะนกลืนเข้ากับโลกแต่ไม่กระทบกับโลกเมก็มีความสุขนะมันไม่มีอะไรให้สแสวงหาไม่มีการไปการมาไม่มีความเคลื่อนไหวพวกเราดูออกไหมจิตพวกเราเคลื่อนไหวแต่เราก็ไม่รู้จะไปดูพระลราหันตัวอย่างที่ไหนเนาะว่าจิตท่านเคลื่อนไหวหรือเปล่า ในครูบอาจารย์ท่านบอกไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาเล ย, นะยจิตกระทำเป็นเนื้อเดียวกันเดียวกันนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่รอให้ตายแล้วนิพพานเนี่ยไปสู่สิ่งเหล่านี้ได้นะก็ อ, อาศัยการเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามนั่นแหละนี่เราต้องคอยรู้รูปนามบ่อยๆ แต่พอเรารู้กายรู้ใจนะใช่หลักนี้ว่าถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยจิตเดียวสุขจิตเดี๋ยวทุกขจิตเดียวดีจิตเดียวร้ายอย่าไปดูจิตให้นิ่งให้ว่างถ้าดูจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นสมถะให้ดูความปรุงแต่งของจิตนี่เป็นเทศที่วัดบูรมาเทศตรงนี้ด้วยนะบอกเลยว่าหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลนไม่ได้สอนให้ดูจิตให้นิ่งนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลนบอกสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สัเพสังขาราสัพพสัญญาณตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านสอนให้ดูความปรุงแต่งของจิตดูกระบวนการทํางานของจิตดูไปจนหลวงปู่ดูลเห็นอริยาศาสตร์แห่งจิตรู้เลยว่าความเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นมานะแจ้งขึ้นมาจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นว่าจิตนั้นตกอยู่ใต้ใจรักษนั่นเองมันปรุงอยู่ทั้งวันมันก็ตกอยู่ใต้ใจรักสิ ไปปะคองให้นิ่งเ็ไม่เห็นใจรักพอเห็นจิตตกอยู่ใต้ใจรักก็สลัดคืนจิตไปแล้วก็เป็นจิตหนึ่งที่ท่านเรียกจิตหนึ่งจิตหนึ่งไม่มีตั้งต้นไม่มีที่สุดไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความเคลื่อนไหวภายในไม่มีขอบเขตภายนอกท่านสอนไว้ชัดเจนละเอียดเยอะแยะเลยแต่ถ้าเราพอวนามไม่ถึงอ่านแล้วนึกว่าปรัชญาอ่านแล้วก็ ทำใจเคลิมคล้มไปโอ้เปลืม่มไม่ยึดอะไรสักอย่างยึดอยู่แล้วไม่เห็นเนะี <c> ่ย <oughs> ได้เรื่องนะี่ยงั้นถ้าเราดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายกายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอเฝ้าหน้าบ้านเหมือนไว้เนะีงั้นดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้จิตมันฟุง้งซ่านสะเสะปสปะมั่วซั่วไปหมดแล้ว ท, ทาสมถะไว้ทําความสงบไหมนะ ไม่รู้จะทำอะไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าน ะ, ะระลึกถึงคุณของท่านนะพุทธโธธรรมโมสังโฆอะไรในใจให้ะระลึกไว้ะระลึกถึงคุณความดีของท่านอย่างะระลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านมีความกรุณายิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญานะท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองคนอื่นทําไม่ได้นึกถึงท่านแล้วก็ซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะ หลวงพ่อมีวิธีทำสมาธิง่ายๆเลยนะเวลาหลวงพ่อกลับพระเนี่ยหลวงพ่อทำสมาธิในขณะที่กลับเลยนะกลับแล้วทำความรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านยืนอยู่ต่อหน้าเราอยงี้เรากลับลงแทบเท้าท่านเนะท้าท่านอยู่ตรงนี้ได้ไหมทำไมจะไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจของเรานะ ใ, ใจของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมลงที่จิตอันเดียวนั่นแหละนะ ยักษ์มานสัตว์นรกเปรตอสุรกายมันก็รวมลงที่จิต ด, ด้วยนะแล้วมันมกักจะทำงานเก่งกว่าพระพุทธเจ้าง้เวลาจิตฟุ้งซ่านดูกายดูใจไม่ได้นะทำความสงบไปทำความสงบอะไรก็ไม่เป็นนะฟังซีดีหลวงพ่อให้สบายใจจิตก็สงบได้นะแต่พอจิตสงบแนละ้วอย่าติดนะ บางคนเลยเปิดซีดีหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนนะมีความสุขเดินก็ยิ้มยิ้มมาค้าใกล้เร า, าเราก็ซัดเอาอีกติดสมถะใช้ไม่ได้อีกฟังพอให้ใจแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมามีสติรู้ลงไปอีกจิตใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วรู้ลงไปให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตขึ้นมาได้ยังั้นเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเราไม่ได้เจริญปัญญารวดเดียว้ต้องรู้จักพักเหมือนกัน เมื sea, Respect, ite, B B ่อไรเจริญป you know, ัญญาดูจิตได้เห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เราก็ดูจิตไปดูจิตไม่ออกเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูก็ดูกายไปถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไหลสเปสปาฟุ้งซ่านไปแล้วทำความสงบเข้ามาทาในรูปแบบนั้นแหละสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำในรูปแบบไป ถึงเวลามันก็สงบของมันเองเพราะความฟุ้งซ่านมันก็ไม่เที่ยงนะพอมันสงบแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาเรามีสติรู้ทันจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานมีจิตเป็นคนดูเห็นความแช่มชื่นเบิกบานเกิดขึ้นมานี่กลับมาดูจิตได้ลนะดูไปสักพักหนึ่งกําลังตกลงก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอยู่ดูไปอีกจะร่างกายมันก็ยังไม่ยอมดูนะหนีสเปร ส, สปาไปละทําความสงบขึ้นมาอีกนะ ทำความสงบให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นไปวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาจนได้ถือศีลห้าเป็นฐานไว้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถัดจากนั้นเจริญปัญญาดูธาตุดูขันดูกายดูใจเขาทํางานเรื่อยไปถ้าดูจิตได้ก็ดูบางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนบางคนดูจิตได้แล้วแต่หมดแรง ดูจิตไม่ได้ละก็กลับมาดูกายอีกอย่างนี้ก็ไดนะ้เวียนไปเวียนมาเพราะทั้งกายทั้งจิตสอนธรรมะอันเดียวกันคือสอนไตรลักษณที่เราต้องการนั้นคือต้องการให้จิตเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักณเพราะงั้นจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้สอนไใจลักษณ์สอนเรื่องเดียวกันงันะ้นไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําแบบเดียวกันนะไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตเหมือนกันหมดไม่ใช่ไม่จําเป็นดูกายก็ได้ แต่ว่าดูกายแล้วสุดท้ายพอถึงขั้นสุดท้ายจริงนะมันจะลงมาที่จิตเวลาเกิดอริยมากทุกครั้งนะตั้งแต่โสดาปติมารคสักขิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหาตาัตมรรคเกิดที่จิตไม่ไปเกิดที่กายหรอกจะรวมลงที่จิตงั้นเราฝึกนะไปมาเข้าคอรส์สวันที่สองแล้วอันนี้เท่นยากหน่อยไปฝึกเอายากไปไหมถ้ายากไปก็ไปถามพี่เลี้ยงดูพี่เลี้ยงก็จะบอกยากเหมือนกันแหละ <laughs> เชิญเลยทานข้าว